มาตราพิเศษในสิกขาบททั้งหลายเมื่อกล่าวถึงมาตราวัดถ้าวัดสั้นกําหนดให้ใช้สุคตประมาณเช่นคืบสุคตนิ้วสุคตข้าพเจ้าปรารถนาจะหาทางเข้าใจสุคตประมาณว่าเป็นประมาณพิเศษอย่างหนึ่งเช่นเรียกว่านิ้วฟุตหรือนิ้วช่างไม้เพราะคําว่าสุคตแม้เป็นคุณบทของพระศาสดามีอยู่ แต่ก็ไม่ใช่คำที่ท่านจูเข้าในพระโอษของพระศาสดาให้เรียกพระองค์เองเพราะในปาติโมกนั่นเองมีคำว่านี้ประมาณแห่งสุคตจีวรของพระสุคตจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นจากพระศาสดาไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงลงสันนิฐานว่าพระศาสดาทรงกาหนดนิ้วพะหัตของพระองค์เองเป็นหลักมาตราวัดสำหรับใช้วัดสั้น เพราะว่าเมื่อกล่าวถึงโยต์แล้วไม่มีว่าโยตสุคตข้อนี้ดูก็กำหนดหลวมๆและกำหนดเพียงชัว่วคราวแต่เมื่อสิกขาบทเป็นมายืนยาวประมาณนั้นกลับเป็นอันรู้ได้ยากพระอัฏฐทาถาจาร์แก่สุคตประมาณไว้ในอัฏฐาถาแห่งสัญญาจิกาสิกขาบทว่าคืบสุคตนั้น สามคืบแห่งคนปานกลางในครั้งนั้นเป็นสอกคืบช่างไม้โดยในย่านี้ตามพระมหาบุรุษลักษณะพระศาสดาสูงเท่า ว, วาของพระองค์จึงเป็นสูงสิบสองสอกช่างไม้สูงกว่าคนสามัญสามเท่าสุคตประมาณในสิกขาบทจึงเอาสามคูณวัตกีประมาณคือคือคอบนิ้วช่างไม้เมื่อเป็นเช่นนี้ ส่วนทั้งหลายจึงใหญ่ไปหมดแต่ก็ไม่ได้ยินว่าใครปรารพเรื่องนี้มาก่อนนอกจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้าหลงพระยาปะวะเรศวริยาลงกอนเสด็จพระอุปัชยยะของข้าพเจ้าท่านทรงสันนิฐานเห็นว่าพระสาสดาไม่ใหญ่โตกว่าคนในยุคเดียวกันนักทรงชักเรื่องมาสาธกหลายเรื่องแสดงในที่นี้แต่บางเรื่องพอเป็นอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้ 1. พระอนุ์พุทธะอนุชามีรูปร่างงดงามคล้ายคลึงพระาศาสดาแต่ต่ำกว่าสีนิ้วท่านครองจีวรมีประมาณเท่าสุคตจีวรนสงทรงเปลี่ยนผ้าสังคติกันได้ ก, ไดกับพระมหากัสปะ 3. พระเจ้าอาชาศัตรู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 พรสันนิฐานของท่านในเรื่องนี้ไม่มีนักปราดผู้ใดผู้หนึ่งจะคานได้เมื่อตกลงว่าพระศาสดาไม่ใหญ่เกินไปเช่นนั้นแล้วสุคตประมาณก็จะต้องสั้นลงมานี้ก็มีของที่จะสาธกให้เห็นชัดมีวัดของภิกษุอยู่ว่าจะเก็บบาทไว้ใต้เตียงให้เอามือคลาก่อนแล้วจึงค่อยเก็บนี่บ่งเห็นว่าเท้าเตียงสั้น ลำพังนั่งไม่ไล่เห็นใต้เตียงถัดเท้าสูงจะต้องคลำทำอะไรมีอะไรที่จะโดนก็แลเห็นอันจะกำหนดสุขคตประมาณมีใช่ง่ายท่านจึงทรงจับเอาประมาณของคนในครั้งนั้นโดยในยะว่าสูงสี่ศอกเป็นหลักแต่ทรงพระดำริว่าข้อที่ให้เอาสามคูนนั้น พระอัรฐกะถาจาร์เข้าใจผิดไปกระมังบางทีจะเป็นให้เอาสามหารจึงทรงลองคำนวณดูแบ่งคืบช่างไม้เป็นสามส่วนคือส่วนละสี่นิ้วเพิ่มเข้าอีกส่วนหนึ่งเป็นสี่ส่วนคือสิบหกนิ้วสมมุติว่าเป็นคืบสุคตลดประมาณลงเพียงเท่านี้เท้าเตียงก็ตามสมที่จะต้องคลำ จีวรได้กำหนดที่ใช้กันมายาว6กสอกกว้างสี่สอกตามในย่านี้ส่วนพระกายพระศาสดาควรจะสูง128นิ้วหรือห้าสอก8ดนิ้วช่งางไม้แต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจหรือได้เหตุไม่พอว่าจะไหนในสุขตาวิทัศนิปกรณ์ที่ทรงรจนาไว้จึงถือเอา129นิ้วเป็นเกณฑ์แห่งพระศาสดา วิธีคำนวณสุคตประมาณตามแบบซึ่งทรงสันนิฐานลงนั้นเอา129คูณประมาณที่ว่าไว้ในสิกขาบทเอา96หารเลขลับเป็นวัฏธกีประมาณวัฏธกีแปลว่าช่งางไม้เศษกระจายออกไปแล้วเอา96นั้นหารเลขลับเป็นเศษแหงวัฏธกีประมาณ แต่ในแบบนี้แบ่งกระเบียดนึงเป็นสี่อนุ ก, กระเบียดสุคตประมาณตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเรศวริยาลงกรณ์นั้นตัดสั้นลงมาได้จากอัตถกาาในทั้งสมร่องรอยจัดว่าดีกว่าบางทีก่อนครั้งอัตถกาถาขึ้นไปจะสันนิฐานกันอย่างนี้ก็เป็นได้ จะเทียบดูส่วนคนในยุคเดียวกันในประเทศเดียวกันยังโตกว่ากันนักสูงกว่ากันกับสองคืบพระเจ้าอาชาศัตรูควรจะกำหนดรู้ได้หากว่าเป็นได้จริงก็ไม่สูงเฉพาะพระสัสดาพระมหากรสปะและพระอานนท์ก็พลอยสูงไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ความสูงผิดกันมากนั้น จะถือเป็นอัศจรรย์ของพระาศาสดาองค์เดียวไม่ได้ต้องถือว่าเป็นเพราะความแผกกันของคนในประเทศนั้นยังตกข้างใหญ่อยู่นั่นเองมีทางจะสันนิฐานให้เตี้ยลงมาได้อย่างไรบ้างเห็นอยู่ทางหนึ่งว่าข้อที่กล่าวไว้ในคำภีวิพังนิทานคือเหตุที่มาต้นบัญญัติห้ามทรงสุคตจีวรว่า พระนนต่ำกว่าพระศัสดาสี่นิ้วนั้นพอจะจับเอาเป็นเกณฑ์สำหรับอนุมานได้ขอว่าพรานนเป็นผู้มีรูปร่างงดงามนั้นถ้าสูงเท่ากับคนสามัญพระศัสดาก็สูงกว่าขนาดสี่นิ้วเท่านั้นเพราะคำว่ามีรูปงดงามหากจะสูงกว่าคนสามัญสท็กเล็กน้อยก็ยังได้จะให้สูงเท่าไหร่ 4นิ้วของท่านเป็นเกณฑ์อยู่แล้วโดยในย่านี้พระศาสดาก็สูงกว่าขนาดเพียง8นิ้วคอยอยังชั่วหน่อยคิดสี่นิ้วกับ8ดนิ้วถั่วกันเข้าถือเอาประมาณกลางว่าหกนิ้วแต่ก็ต้องยอมรับขนาดคนที่ว่าสูงสี่ศอกไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางสันนิษฐานต่อไปเอาหกนิ้ว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 เช่นเท้าเตียง8ดนิ้วสุคตเป็น8นิ้วกับสองกระเบียดช่างไม้เท่านั้นอย่างไรก็ยังเป็นอันยากอยู่นั่นเองหรือจะเรียกว่าหมดทางสันนิฐานแน่นอนก็ได้ข้าพเจ้าขอแนะไว้ว่าสุคตประมาณตามแบบของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรที่รับรองทั่วกันแล้วในบัดนี้ แม้ผ่อนลงมาแล้วก็ยังยาวกว่าประมาณที่ใช้อยู่ในประเทศเรานะบัดนี้เพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องวัดอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม้ฟุตอังกฤษไม้สอกช่างไม้วัดนิ้วเท่านิ้วหรือไม้เมตรเตอร์เทียบ25เซนติเมตรคือส่วนแบ่งจากร้อยต่อคืบหนึ่งคือ12นิ้วคงไม่เกินสุขคตประมาณอยู่นั่นเอง ไม่ต้องรังเกียจถ้าตามแบบของข้าพเจ้าไม้ฟุตใช้ไม่ได้ยาวไปใช้ได้แต่ไม้สอกช่างไม้กับไม้เมตรเตอร์แต่ส่วนผิดกันไม่มากนักไม่น่าจะต้องคำนวณให้ลำบากใช้วัดด้วยไม้สองอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็เล่ากันแต่ไม้สอกช่างไม้นั้นก็ไม่มีหลักอีก ต่อไปข้างหน้าถ้าบ้านเมืองจะบัญญัิหลักมาตราลงไปแน่นอนคงจะใช้แบบเมตร์ก็คือเมตรที่ประเทศทั้งหลายใช้กันอยู่มากเขานิยมเป็นแบบที่แน่นอนเพราะจับเอาระยะแห่งโลกเป็นหลักทั้งเทียบกันได้กับสอกช่างไม้ของเราเหลื่อมกันเพียงนิดหน่อยเมตร์หนึ่งเทียบกับสองสอกได้กึ่งเมตร์ คือ50เซนติเมตรต่อหนึ่งอก25เซนติเมตรต่อหนึ่งคืบจะคิดว่าเป็นเส้นก็ยังได้ถ้ารู้จักใช้ไม้เมเตรเทียบให้ได้ประมาณตามต้องการเป็นสะดวกด้วยประการทั้งปวงนอกจากนี้ยังมีมคตนาลีคือทนานที่ใช้อยู่ในแคว้นมคต ข้อนี้แก้กันยุ่งใหญ่ศัพท์นี้ไม่ได้มาในมาติกาคือตัวศิขาบทเป็นแต่กล่าวไว้ในคำพีวิพังว่าบาทขนาดกลางจุกเข้าสุขนาลีหนึ่งในอั ฐ, ฐกถาแก้ว่ามคตนาลีนาลีในที่นี้สะกดด้วยลอจุลานะครับถ้าเพ่งความว่าคำพีวิพัง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 ตามความสันนิษฐานของพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นชาวสิงหนลนาลีครึ่งแห่งนาลีสิงหนลเป็นมคตนาลีหนึ่งเมื่อมคตนาลีมีขนาดใหญ่ใช้นาลีที่กล่าวไว้ในมาตราเป็นเครื่องตวงข้าสารหุงเป็นข้าวสุกเพื่อกําหนดประมาณบาทก็ควร